เรามาศึกษาธรรมะนะมาเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความพน้นทุกข์เราก็ต้องสาวลงไปให้เห็นเหตุของทุกข์มันคืออะไรเวลาเจรละนะีละที่เหตุเหตุดับเหตุของความทุกข์ดับความทุกข์ก็ดับงั้นเรียนก็เรียนลงไปที่เหตุละลงไปที่เหตุ ผลนัล้ า, ามไม่ได้ตัวทุกข์เป็นตัวผลเมื่อทำเหตุแล้วก็ต้องมีผลนี่เหตุมันมีหลายระดับอย่างตื้นๆเลยก็คือเรามีความอยากใจก็เกิดความดินนด้นรนใจดิ้นรนใจก็ทุกข์ลึกลงไปอีกทำไมมันอยาก มันอยากเพราะมันไม่รู้ความจริงของกายของใจมันไม่รู้ว่ากายนี right ้คือต <culo> ัว <proposals> ทุก <de> ข์ม <life> ันก็เลยเกิดความอยากให้กายมีความสุขเกิดความอยากให้กายไม่ทุกข์มันไม่รู้ความจริงของจิตว่าเป็นตัวทุกข์มันก็เลยเกิดความอยากให้จิตมีความสุขให้จิตไม่ทุกข์มีความอยากเกิดขึ้นก็เกิดการดิ้นรน ของใจใจมันจะดิ้นดินดินความดิ้นรนของใจเกิดขึ้นความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นนี่เป็นใจความย่อๆของธรรมะที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทงั้นเวลาเราเรียนนะเราก็ต้องมาดูตัวทุกข์นั้นละไม่ได้ในปฏิจจสมุปบาทนะสิ่งที่เป็นตัวทุกข์ก็คือตัวรูปกรตาม อย่างขันห้าวิญญาณขันห้าอนอายตนะพวกนี้อยู่ในตัวทุกข์ทั้งนั้นชาติทุกส่วนใหญ่ก็เป็นตัวทุกข์มีตัวสมุทัยก็แค่อวิชชาตันหาอุปาทาน มีตัวที่เป็นกรรมอันนั้นเป็นกิเลสวิชาตนาอุปาทานก็ตัวกิเลสตัวกรรมก็คือตัวสังขารวิชาปัจยาสังขาราก็ดตัวภพนี่คือตัวกรรมที่เหลือมือนก็เป็นตัววิบากตัววิบากแก้ไม่ได้แก้ก็ตั์ ที่ตัวกิเลสตัดตัวกิเลสตัวกรรมก็ดับกรรมก็ดับวิบากฝื่นผลของกรรมก็ค่อยๆดับไปงั้นตัวหัวโจรที่ทำให้เราทุกข์นั่นคือตัวกิเลสนั่นเองการภาวนานก็ภาวนาเพื่อลดละกิเลสไปถึงวันใดสิ้นกิเลสก็สิ้นการกระทำกรรม ก็สิ้นวิบากก็สิ้นทุกข์งั้ศัตรูของเราไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่พรรคอื่นนะศัตรูของเราชาวพุทธก็คือกิเลสของเราเองงั้นการภาวนาเนี่ยนะถ้าตัดตรงเข้ามาเรียนรู้เข้ามาที่กิเลสของตัวเองได้นะก็ไปได้เร็วหน่อย กิเลสยังไม่ต้องไปเรียนถึงขั้นอวิชาหรอกเอากิเลสธรรมดาธรรมดานี่รู้จักราคะไหมราคะคือใจมันโลภใจมันอยากอาการของราคะก็คือพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะดึงสิ่งต่างๆเข้าหาตัวเราอย่างคนเรามันรักกันใช่ไหมมันก็อยากกอดกันอยากรวบเข้ามา เรารักมารักแมวไหมอยากจะหับอยากอุ้มอยากดึงเข้าหาตัวเราชอบมีความรักมีความโลภในเพชรนิลจินดาอะไรอยาก็อยากดึงเข้าหาตัวเองเก็บเข้ามาสะสมเข้ามาตัวราคาเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราดึงอารมณ์เข้ามาหาจิตดึงอารมณ์เข้ามาหาจิตหาใจตัวเอง ตรงข้ามกันก็คือโทสะเป็นกิเลสตระกูลที่ผลักอารมณ์ออกไปจากจิตให้ไกลที่สุดได้ยิ่งดีที่สุดอย่างเราเกลียดใครสักคนหนึ่งนะอยากให้มันไปอยู่ไกลๆเลยไปอยู่โลกอื่นได้มันตายไปได้ยิ่งดีเลยให้มันไกลๆกันเพราะโทสะเป็นกิเลสที่ผลักผลักออกไปราคาเป็นกิเลสที่ดึงอารมณ์เข้ามาโทสะเป็นกิเลสที่ผลักอารมณ์ออกไป สิ่งที่อารมณ์ไม่ว่าอารมณ์ก็คือสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดอ่ะไม่ว่าอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพธรรมารมณ์่เป็นตัวอารมณ์อีกตัวหนึ่งตัวโมหะตัวนี้เป็นตัวหลงจับอารมณ์ได้ไม่มั่นคงหรือจับจดจับอันนี้แล้วปล่อยจับอันนี้แล้วปล่อยมั่วไปหมวเลยเป็นฟุ้งซ่านอย่างนี้ จับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนไม่มั่นคงตัวโมหะไม่รู้ว่าจะจับดีหรือจะปล่อยดียังไม่รู้ถ้าจับมาแล้วสักพักหนึ่งรออดูออกอุย้ยตัวนี้อารมณ์ไม่ดีก็จะผลักออกตัวนี้อารมณ์ดีก็อยากเก็บเอาไว้กิเลสมันก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่ดึงอารมณ์เข้ามาก็ผลักอารมณ์ออกไป ไม่ก็ไม่รู้ว่าอารมณ์เป็นยังไงอารมณ์อะไรก็ไม่รู้มัว่วไปหมดเราม ห, าหัาพนาไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกอย่าไม่ต้องเรียนถึงโมหะหรอกเรียนราคะโทสะก่อนราคะโทสะไม่ใช่เรื่องยากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโทสะเนี่ยเป็นกิเลส ท, ที่มีโทษมากแต่ละง่ายราคะ เป็นกิเลส ท, ที่มีโทษน้อยแต่ละยากโมหะเป็นกิเลส ท, ที่มีโทษมากแล้วก็ละยากด้วยนั้นโมหะนี่สุดๆเลยชนะโมหะได้คือสูงสุดเลยก็คือชนะอวิชชาได้จบจิตในตรงนั้นเองราคะท่านบอกว่ามีโทษน้อยโทสะแค่ว่ามีโทษมากโมหามีโทษมาก ราคะมีโทษน้อยจริงแต่ลายากอย่างเวลาเราเพลินมีความสุขความสบายเนะี่ยอยากละไหมเวลามีความสุขมีความสุขก็พอใจนะไม่ได้ไปทำชั่วทำร้ายอะไรใครเหมือนะมันเพลินเิ น, เนมีโทษไม่มากนะมีโทษยังไม่มากนะแต่ว่าลายากมันดูให้เห็นทุกเห็นโทษยากการที่จิตมันจะลา ความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มันต้องเห็นความจริงนะสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษแล้วก็มันถึงจะยอมละถ้าไม่เห็นไม่ละครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปหาหลวงพุทเทศไปกราบหลวงปุทเทศนะเมื่อปีสองห้าปลายปลายปีไปกับน้องคนหนึ่งนะ ไปบัข้าไปด้วยกันตลอดถ้าพูดภาษาพระบอกเป็นเพื่อนสหธรรมิกกันเป็นกัลยาณมิตรเขาเนี่ยอยากพาวนาให้ดีมากๆเลยนี่เขาก็เห็นกิเลสของเขาตัวหนึ่งคือราคะเกิดเลยเลยราคะมันเกิดมันก็ธรรมดาใช่ไหมยังหนุ่มอยู่อายุยี่สิบต้นๆเองน็ราคะมันเกิดได้เห็นไปถามหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมอยากละ กา ม, มาราคะแต่ใจมันยังอาไรอาวอร์อยู่หลวงปู่ท่านก็อุทานณน์อ้าอะไรอวอร์มันก็ลาไม่ได้สิอะไรอวอร์อยู่ก็ลาไม่ได้แล้วท่านก็ขยายความให้ต้องเห็นโทษถ้าเราเห็นโทษของกามก็จะลากลามได้นี้อีกช่วงหนึ่งนะไปกราบหลวงปู่ดุล ก็ไปเลาให้ท่านฟังว่าเนี่ยหลวงปู่เทศบอกว่าต้องเห็นโทษถึงจะลาได้หลวงปู่เดินท่านก็พยักหน้าท่านมาเออเห็นโทษก็หเห็นทุกข์นั่นแหละถ้าเห็นทุกข์ัหละก็ลาได้หลวงปู่เดินท่านพูดตรงปริยัตมากกว่านะหลวงปู่เทศท่านพูดเอาง่ายๆนะ่ะไม่ไม่ใช่ป่าท่านไม่ดีนะท่านถูกเป๊ะเลยนะแต่ภาษาเนี่ย ท่านบอเห็นโทษเห็นโทษก็คือเห็นความไม่ดีไม่งามของมันมเห็นทุกข์ของมันนะ น, นี่มันเป็นตัวทุกข์อย่างเราจะละ ก, กามได้เราก็ต้องเห็นโทษของกามเห็นทุกข์ของกามนะเวลาราคะเกิดดูทุกข์ออกไหมเวลาราคะเกิดอยากอย่างนี้อยากได้อยากได้ ตัวอย่างก็เป็นราคาที่มีกำลังแรงเวอยากถูกหวยทุกไหมยอยากเปียแชร์ให้ได้ทุกไหมยอยากไปซื้อของก็ลรดราคามีจานวนจํากัดอยากซื้อกลัวซื้อไม่ทันก็ทุกนะมีอยากทีไรก็ทุกทุกทีแหละเฉั้นถ้าเราดูราคา ยังไม่ออกว่ามันมีทุกข์มีโทษไงดูตัณหาไปก่อนตัณหาคือราคะที่มีกำลังแรงมีกาลังแรงอันนี้พอดูได้ไหมเวลาอยากเราทุกข์ใครเห็นตัวนี้บ้างว่าเวลาอยากเราก็ทุกข์อยากเราก็ทุกขนะ์ใช้ได้นะนั่นแหละเราทำกรรมฐานแล้วงนั้นใจเรามีโลภะเกิดขึ้นมีสติรู้ทันนะโอ้โลภละ มันก็ดับไปด้วยสติเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่จนกรทั้งวันหนึ่งนะปัญญามันเกิดโอ้พ่อไปอยากอะไรเข้าไปยึดอะไรก็ทุกขพร้นั้นแหละเนี่ยปัญญามันเกิดแนละ้วก็ละราคะตัวนี้ได้ราคะที่ละเอียดถึงไปนะค่อยๆละไปงั้นทีแรกยังไม่ล้าหรอกแค่รู้มีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้มีโมหะก็รู้ หลวงพ่อพูดไปตามลำดับน่าราคาโทสะโมหะแต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยโทสะมันดูง่ายกว่าเวลาโกรธขึ้นมามีความสุขไหมตัวนี้ดูง่ายใช่ไหมแต่ให้บอกว่าเวลาโลภขึ้นมามีความทุกข์เนี่ยดูยากใช่ไหมดูยากกว่ากันนะเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยมีความทุกข์เพราะนั้นเวลาโกรธเนี่ย คนที่ได้รับผลจากความโกรธคนแรกนะก็คือไอ้คนที่โกรธนั่นแหละโกรธคนอื่นเมื่อไหร่ก็ทุกเมืนั่นแหละทุกวันนี้เราก็ดูอินเทอร์เน็ตกันใช่ไหมคนออกความเห็นอะไรเราก็ด่ากันใหญ่เลยต่างคนต่างก็โกรธไปโกรธมานะทำไมต้องโกรธกันนะยึดในความเห็นที่แตกต่างกันมียึดในความเห็นนั้นก็เลยไปโกรธกัน เวลาความโกรธเกิดขึ้นให้เราสังเกตไม่ต้องหาทางล้านะรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นนี่ช็อตที่หนึ่งต่อไปสติปัญญาแก่กล้าขึ้นก็เห็นอีกทุกคราวที่ความโกรธเกิดขึ้นใจไม่มีความสุขนะดูไปเรื่อยๆนะแล้วจะรู้เลยว่าความโกรธไม่ใช่ของดีทันทีที่เกิดนะเกิดปุ๊บเนี่ยใจไม่มีความสุขแล้ว เพราะว่าโทสะเนี่ยมันมีเวทนาจิตที่มีโทสะเนี่ยมีเวทนาได้อย่างเดียวนะคือโทมนัสคือความทุกข์ทางใจงั้นเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษของตัวโกรธเนี่ยไดง่ายท่านถึงสอนบอกว่าโทสามีโทษมากอย่างโกรธขึ้นมาจะไปไล่ฆ่าคนตั้งหมื่นคนพันคนแสนคนเลไก็ทําได้ อย่างฮิตเลอร์เกลียดอยู่นะ่าอยู่ไปทั้งหลายล้านมันมีโทสะนะเกลียดโทสะมีโทษมากแต่ล้ะไม่ยากล้าง่ายนะในกิเลสทั้งหมดอนะโทสะล้าง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะทันทีที่โทสะเกิดนะความทุกข์มันเกิดแล้วเราอยากทุกข์ไหมนะเราไม่ได้อยากทุกข์นั้นต่อไปนี้นะเวลาโทสะเกิดเนะ อย่าโมดูคนที่ทำให้เราโกรธอย่าดูสิ่งที่ทำให้เราโกรธให้เข้ามารู้ที่จิต ท, ที่ใจของเราเลยเวลาโทสะเกิดขึ้นจิตใจมันมีสุขหรือมันมีทุกข์ดูเข้าไปตรงนี้ได้ไม่ใช่เห็นทุกข์นะแล้วจะรู้สึกว่าโทสะไม่ใช่ของดีเลยเมื่อก่อนนี้เราภูมิใจบางคนภูมิใจนะโกรธเก่งๆภูมิใจใครเคยเป็นไหม โกรธมากๆแล้วภูมิใจน้องปูเก่งไหโกรธที่ตัวใหญ่เลยนะมันเหมือนแมวอะ่ะเคยเห็นแมวไหมแมวแมวเวลาโกรธมันตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมพองพองจริงๆไม่ได้โตมันหลอกเราทำคนใหญ่ๆทำคนพองๆโทสะเกิดเอาเรื่องละเนี่ยดูลงไปเลยนะมันมีแต่ทุกข์มันไม่ได้มีของดีของวิเศษอะไรหรอก นี้พอเราเห็นซ้ำๆไปเรื่อยนะเราจะเห็นว่าโอรโหโทสเกิดแล้วใจก็ทุกข์นะจะโกรธไปหาสวรรค์วิมานอะไรโกรธทีไรก็ทุกข์ทุกทีเลยไม่ทันจะไปเห็นทุกข์เห็นโทษอย่างอื่นเลยนะคนอื่นนะ่ะเราโกรธเนี่ยเขายังไม่เป็นไรนะเราคือคนแรกที่ทุกดูอย่างนี้นะทุกคนรักตัวเอง เพราะงั้นไม่อยากทุกข์หรอกไม่อยากทุกข์ก็ต้องรู้จักถนอมใจของตัวเองเราไม่รู้จักถนอมใจของเราแั้วปล่อยให้ใจเราตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสปุยี่ผู้ยเาเมาเจ็บปวดยับเยินตลอดชีวิตซ้ําแล้วซ้ําอีกเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆก็ทุกข์ไปเรื่อยๆงั้นสังเกตจิตใจของตัวเองไปนะโทสะเกิดขึ้นมาก็รู้ ถ้าเราโทสะเยอะๆเราก็ดูโทสะเป็นหลักบางคนไม่ค่อยโกรธ ถ, ถ้าโลภะเกิดขึ้นมาโลภเกิดขึ้นมาอยากเกิดขึ้นมาก็รู้เอามันไม่โกรธนะ่ะมันทำบุญมาดีกระทบแต่อารมณ์ที่ถูก อ, อกถูกใจไม่กระทบของไม่ไม่พอใจเลยพอกระทบแต่อารมณ์ที่พอใจโทสะมันก็ไม่เกิดไม่ใช่ไม่มีโทสะนะแต่โทสะยังไม่มีช่องที่จะเกิด อย่างบางคนทํำบาปมาเยอะนะกระทบแต่อารมณ์ที่ไม่ถูกใจตลอดเวลาเลยขณะจะกินข้าวนะคนอื่นเขาว่าเจ้านี้อร่อยนะเราไปกินมันก็ไม่อร่อยนะความรู้สึกของเรามันก็ไม่ดีตลอดไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นไม่สมควรกับเราไอ้นี่ไม่สมควรกับเราสัมผัสแต่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจตลอดเวลาอันนั้นไม่ต้องโทษคนอื่นเลยนะกรกรมอกคุสละกรรมให้ผลมา ได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจคนทําบุญมาดีมันกระทบแต่อารมณ์ดีๆนะเวลาใครเขาด่าไม่ได้ยินนะนะเวลาคนด่าไม่ได้ยินนะนะเวลาเสียงอะไรเพราะๆเสียงลมพัดใบไม้ไหวนี่เสียงเบานิดเดียวนะเสียงนกร้องแว่แวๆอยู่ไกลๆไมได้ยินแนฮะนะเวลาคนเขาด่าโ ล, ล่ ง, ลงเร่งโล่งเรไม่ได้ยินอนะ ไม่มีอกุศลบางคนนะก็มีกุศลนะไม่ได้กลิ่นเหม็นมีนะไม่ใช่ไม่มีใครเคยเป็นไหมกลิ่นที่คนเขาว่าเหม็นเนะี่ยเราไม่รู้เลยได้แต่กลิ่นหอมๆในวัด น, นี้มีอยู่คนหนึ่งต้นไม้บางต้นเนี่ยกลิ่นเหมือนอืึเลยนะดอกจำปาเทศมีกลอนชมนะจำปาเทศวิเศษกลิ่น มันวิเศษยังไงคุโร่ได้กลิ่นนะมันไม่เหม็นนะเหม็นเนือ น, น, นส้มแตกอ่ะมีคนหนึ่งสร้างกุฏิอยู่ติดกับต้นจำปาเทศไม่เคยได้กลิ่นต้นนี้เลยแต่ดอกไม้อื่นหอมๆอะไรเนี่ยนะได้กลิ่นหมดเลยดอกไม้เหม็นเนี่ยไม่ได้กลิ่นถามว่าจมูก พ, พิการไหมก็ไม่ได้พิการกลิ่นอื่นนะได้กลิ่นหมดอนะ่ะ ไม่ได้กลิ่นเฉพาะกลิ่นเหม็นๆนี่มันก็อยู่ที่บุญให้ผลมาไม่มีอกุศลให้ผลที่จะต้องได้กลิ่นที่ไม่ถูกใจเราเลือกได้ไหมบุญกรรมตัวไหนจะให้ผลดีหรือชั่วเราแต่ละคนจะสะสมทั้งดีทั้งชั่วมานั่นแหละีามบางทีอกุศลให้ผลมาเราก็กระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกอกถูกใจเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้นะอกหักรักคุดอะไรเนะ กุศลให้ผลมาก็พลัดพลากจากสิ่งที่รักอะไรงี้ยกุศลให้ผลมาก็เจออารมณ์ที่ชอบอกชอบใจสัมผัสแล้วมีความสุขนี่ตรงที่มันมีความสุขเนี่ยมันละยากนะมันละยากที่สุดเลยเพราะมันไม่เห็นโทษเราเราสบายใจเห็นไหมว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเวลาสบายใจไม่เห็นหรอเห็นยากนะเพราะฉั้น คนไหนมีโทสะไม่ต้องเสียใจนะนี่ใส่ชิปมหัวไม่ต้องเสียใจควรจะดีใจนะถือจะทำกรรมชั่วมาเยอะนะแต่ว่ามันพาฒนาง่ายพาฒนาง่ายเห็นโทษง่ายเห็นทุกง่ายงั้นเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะใจเรามีโทสะเกิดขึ้นเรารู้โทสะเกิดขึ้นแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจเรารู้มีราคะเกิดขึ้นเรารู้ ราคาเกิดขึ้นนะมีความสุขหรือมีอุเบกขาในใจเกิดขึ้นตัวนี้ดูให้เห็นทุกยากนะเราจะต้องฝึกสติจนแก่กล้ากว่านั้นถึงจะเห็นฝึกยังไงฝึกแล้วเห็นยังไงนะยังพอราคาเกิดขึ้นนะจิตใจมีความสุขเกิดขึ้นเนะี่ยถ้าใจเรามีสมาธิมากพอมันจะเห็นว่าความสุขเนะี่ยเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาในใจนะนจะเห็นอย่างนี้นะ ความสุขเป็นภาระความสุขเป็นของแตกปลอมเข้ามาเนี่ยเติมน้ำหนักให้จิตนะเติมน้าหนักให้จิตใจใครเคยเห็นตรงนี้บ้างไหมยกมือให้หลวงพ่อดูซิว่าเวลามีความสุขขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภาระในใจความสุขก็เป็นภาระนะเนีเห็นอย่างนี้ได้เนยกมือหน่อยสิยกมื อ, อย่างเข้มแข็งหน่อยนะว่ามีอยู่หลายคนนะแต่แต่ดูยากกว่าโทสะใช่ไหม ใครเห็นว่าเวลาได้รับอารมณ์ที่ไม่พอใจโธ่สาขึ้นแล้วใจไม่สบายใครเห็นตรงนี้บ้างยกมือซิเห็นไหมมันตามสติสติเลยนะเพราโธสาเนี่ยมันล้างง่ายที่มันล้างง่ายเพราะมันดูง่ายว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษราคะเนี่ยเกิดขึ้นจิตมีความสุขหรือจิตเป็นอกเบกขาเนี่ยจะดูความสุขดูเบกขาว่ามันมีทุกข์มีโทษเนี่ยดูยากนะ ต้องสติสมาธิแข็งแรงอยู่จริงถ้าสมาธิเราแข็งแรงเนี่ยเราจะเห็นนะราคาแทรกเข้ามานะแล้วความสุขก็แทรกตามเข้ามานี้มาด้วยกันเลยแล้วใจเราเพลินตัวที่ใจเราเพลอเพลินเนี่ยเราจะเห็นว่าภาระทางใจได้เกิดขึ้นแล้วถ้เาเห็นอย่างนี้นะแม้จะเห็นว่าโอ้ราคาเกิดมันก็มีทุกข์นะไม่ใช่ของดีแต่ดูยากดูยากไหม ยา ก, กว่าโทสะพระพุทธเจ้าถึงถึงสอนเนี่ยโทสะถึงยังมีโทษมากนะแต่ละง่ายราคะถึงยังมีโทษน้อยแต่ละยากละยากพอมันเห็นทุกเห็นโทษยากนะที่หลวงุู่เทสท่านบอกต้องเห็นโทษหลวงปู่ ด, ดูลท่านบอกต้องเห็นทุกนะถ้าไม่เห็นทุกไม่เห็นโทษกนะ็ไม่ละทุกตัวนี้ไม่ใช่ทุกแบบที่เรารู้จักนะเนี่ย ปวดแข้งปวดขาเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้อันั้นมันธรรมดาทุกข์ตัวนี้เป็นทุกข์ของจิตนะที่มันฉลาดจริงๆอันตจะเห็นเราเห็นว่ามันมีภาระเกิดขึ้นอย่างขันห้าเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ได้เจ็บปวดเลยไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ไม่ได้หิวไม่ได้หนาวไม่ได้ร้อนไม่ได้กระหายไม่ได้ปวดอือปวดฉี่ร่างกายเราเนี่ยสบายๆอย่างนี้ เราเห็นว่ามันมีภาระร่างกายเป็นภาระไหมใครไม่เห็นว่าร่างกายมีภาระยกมือซิมีไหมเอางี้ใครเห็นว่าร่างกายมีภาระยกมือซิเออเขาจะยังชั่วหน่อยนะถ้าเห็นร่างกายมีภาระภาระอะไรบ้างถ้าแต่ตื่นนอนมีภาระไหมแต่ตื่นนอนตื่นนอนแล้วนอนนานๆมาเมื่อยไหมนอนอย่างเมื่อยเลยเห็นไหม ร่างกายนี้มันมีแต่ทุกข์แต่โทษนะนอนนานๆก็เมื่อยตื่นขึ้นมาทําไงก่อนอบิดบิดบิดบิดนะเสร็จแล้วต้องทาํานอะไรอีกนต้องไปเข้าห้องน้ําเำไปอาบน้ําแปลงฟันนะขับถ่ายนี่ภาระทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วก็ต้องมาแต่งตัวนะแต่งเนื้อแต่งตัวทาหน้าท า, า, ทาปากทาแป้ง หวีผมอย่างเงี้ยแต่งตัวเสร็จหาเสื้อหาผ้าอะไรมาใส่เสื้อผ้าก็ต้องหาเงินไปซื้อมาซื้อมาแล้วก็ต้องมาซักมารีดอะอย่างเงี้ยใช้ได้ใช้แล้วก็ต้องซักต้องรีดอีกภาราทั้งนั้นเลยที่เนื่องด้วยร่างกายกินข้าวก็เป็นภาระอีกตั้งแต่หาเงินไปซื้อข้าวมากินเดินไปซื้อข้าวมากินนั่งกินข้าว ใครเคยรู้สึกว่าการกินข้าวเป็นภาระบ้างยกมือซิมีไหมโอ้ดีนะแต่เต็มใจรับไหม <c oughs> <c oughs> ไม่กินไมาอยู่ไม่ไหวเนี่ยมันเป็นภาระทุกอย่างเลยนะจะออกจากบ้านนั่งรถไปขับรถไปอะเป็นภาระไหมทำไมเราต้องขับรถไปมันมีร่างกายถ้ามันมีแต่จิตมันไม่ต้องขับรถไปกาหนดที่เดียวก็ไปถึงแล้วนี่มันมีร่างกาย ก็เลยมีภาระขึ้นมายังไม่ร่างกายมีภาระเยอะแยะเลยนะสารพัดเลยเจ็บป่วยขึ้นมาก็เป็นภาระเป็นภาระตัวคนเดียวไม่พอก็เป็นภาระให้คนอื่นด้วยเราตั้งแต่เกิดมานะเราก็เป็นภาระของคนอื่นมาตั้งแต่แรกแล้วเป็นภาระให้พ่อแม่เลี้ยงเราอย่างเงี้ยนีพอพ่อแม่แก่พ่อแม่ก่ับมาเป็นภาระเราถ้าเราไม่ยอมรับความจริงตรงนี้นะมันก็อกตันยู มันก็เหมือนหมาเหมือนแมวงั้นไปไม่ใช่มนุษย์แนละ้วมนุษย์ถ้าไม่มีความกตันอยู่กระตวเวทีไม่เชิงเป็นมนุษย์หรอกเพราะหมามันก็ทําได้หมาแมวอะไรเงี้ยโตขึ้นมาแล้วแย่งแม่มันกินข้าวได้แม่มันจะมากินข้าวมันตบหน้ามันเะสียงแย่งไล่ไปบางตัวมันก็ไล่พ่อไล่แม่มไปนะหมาไม่เท่าไหร่นะ หมามเป็นสัตว์รวมฝูงแต่แมวเนี่ยมันสัตว์ค่อนข้างโดดเดี่ยว ม, มันไล่นกเนี่ยนะนกมันเลี้ยงลูกนกนี่เหมือนฝรั่งเลี้ยงลูกพอลูกช่วยตัวเองได้มันไล่เลยให้ลุกไปที่อื่นแล้วชาตินี้ไม่รู้จักกันอีกแล้วเพราะงั้นถ้าใครไม่รู้จักพ่อจากแม่นนะไม่ให้เรื่องแปลกอะไรเดรฉานก็ทาได้ไม่ได้น่าภูมิใจตรงไหนเลย คนที่อักตันอยู่อะไรพวก น, นี้นี่มนุษย์มันสูงกว่านั้นมันมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยถูกเซตขึ้นมาเพื่อว่าทุกคนจะอยู่ได้ทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันตอนเด็กๆพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เลี้ยงอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยทำไมหลวงพ่อไม่อยากบอกว่ามีความรักให้คนจำนวนมาก เมตตาคนจำนวนมากตั้งแต่เด็กเนี่ยหลวงพ่อได้รับความรักมหาศาลเลยหลวงพ่อมีพ่อสองคนแม่สองคนไม่ใช่มีชู้กันนะมีพ่อแม่อยู่พ่อแม่ก็รักเรานะแต่ว่าตาใหญ่ไม่มีลูกของตัวเองก็รักหลวงพ่อเป็นลูกด้วยเลี้ยงหลวงพ่อหลวงพ่อเลยมีพ่อสองคนแม่สองคน ได้รับความรักมากมายนะมันเต็มมันอิ่มอะคนที่มันเต็มมันอิ่มมันให้คนอื่นได้คนที่มันขาดเนี่ยมันอยากไดนะ้แต่ตัวเองไม่รู้จักเต็มแล้วพอได้อะไรมาเนี่ยไม่รู้จักให้เพราะตัวเองมันขาดตลอดชีวิตงั้นมีลูกเนี่ยนะกลับบ้านไปเนะี่ยหมายถึงลูกที่เล็กๆหน่อยนะกลับบ้านเนี่ยกอนลูกให้เยอะไว้ก่อนลูกบ่อยๆหน่อยอย่าให้เด็กมันขาด เด็กมันขาดโตขึ้นมามันก็เลยมาประกาศทฤษฎีนะพ่อแม่ผสมพันธ์กันเพราะว่ามีราคะมีตัณหาผสมพันธ์กันเองมันไม่ได้ลงชื่อมาเกิดซะหน่อยเนี่ยพะมันโง่มันไม่รู้ว่ากรรมของตัวเองจัดสรรให้มาเกิดคิดว่ามันไม่ได้สมัครใจเกิดพ่อแม่มาทำให้มันเกิดไม่งันไม่ได้มีบุญคุณมาทาให้มันเกิดแล้วต้องเลี้ยงมัน เป็นหน้าที่ต้องเลี้ยงบางคนมันด่าพ่อด่าแม่มันนะว่าทำไมตอนหนุ่มสาวไม่รู้จัดเก็บเงินเอาไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่ใช่ไหมคิดว่าลูกจะต้องเลี้ยงนี่เห็นเจ็ดตัวถ้าหลวงพ่อเป็นพ่อเป็นแม่จะตอบนะว่าหลวงพ่อมันโง่ตอนหนุ่มสาวนะหลวงพ่อหาเงินได้ก็ส่งควายเรียนหนังสือนะไม่มีเวลาเก็บเงินให้ตัวเอง สังคมมันจะอยู่ไม่ได้มันขาดไปหมดเลยมันขาดมาจากใจของเราลึกๆเนี่ยเมื่อเราพยายามฝึกนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันตัวที่ทําให้ใจเราขาดนะั่นคือตัวหิวนั่นเองมันไม่เต็มมันอยากได้เยอะๆแต่มันได้ไม่เต็มมันก็ขาดตลอดชีวิตนะเราภาวนาไปเรื่อยๆนะค่อยๆเห็นไปมีกิเลสที่ไรก็มีทุกข์มีกิเลสทีไรก็เห็นโทษ มีกิเลสขึ้นมาก็ เ, าเกิดภาระทางใจเพราะมีกิเลสก็ เ, เกิดการกระทากรรมกรรมนั่นแหละคือภาระของจิตการกระทากรรมเช่นนะอยากถูกหวยใจดิ้นรนไหมก็ต้องดิ้นรนตั้งและเบอร์อะไรจะถูกนะหาเบอร์ที่ควรจะถูกถามเจ้าพ่อโน้นเจ้าแม่นี้ขูดต้นไม้ต้นนั้นต้นนีนะ้ไปหาเบอร์มา หาเบอร์เสร็จแล้วจะไปซื้อนะเอาซื้อไม่ทันอีกอย่างนี้ก็ทุกข์หนักนะอุตสาหะแล้วจะทุกข์ที่สุดตรงที่เบอร์นัน้นจะออกแต่ซื้อไม่ทันนะถ้าซื้อทันก็นั่งลุ้นไปเมื่อไรหวยจะออกะวันหวยออกสังเกตดไหมบ้านเมืองจะเงียบกลางวันเนี่ยจะเงียบหมดเลยนะตอนที่หวยออกนะทุกคนอยู่ในความสงบจิตมีเอกคตา จดจ่อรอฟังหวยจะออกเบื่อไรตอนที่ลุ้นเนี่ยใจดิ้นรนไหมดิ้นรนพอหวยออกแล้วยิ่งได้นหนักกว่าเก่าอีกใช่ไหนึกถึงเงย็นนี้จะกินอะไรมาม่าหมดหรือยังง้นะก่อนจะซื้อหวยนะซื้อของกินมาตุนไว้ก่อนนะแล้วเหลือเราค่อยซื้อหวย งั้นไปซื้อหวยตลอดนะโอ้ไม่มีจะกินลำบากไปดูให้ดีกิเลสเกิดทีไรจิตก็ดิ้นรนทุกทีนะราค้าเกิดจิตก็อยากได้ดิ้นรนอยากไดนะ้อยากรักษาไว้โทษาเกิดนะจิตอยากผลักออกไปนะสุดโมหายังดูยากนะ ใ, นใจมันหลงอะไรเงี้ยดูยากหน่อยเรียนราคาโทษาให้แตกชานซะก่อนนะเรียนของง่ายก่อนะของยากเดี๋ยวค่อยตามมา ดูลงไปมีราค่าเกิดก็มีทุกข์มีภาระมีโทสะเกิดก็มีทุกมีภาระของใจเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราจะเหมือนอย่างที่หลวงปู่เทศท่านบอกว่ามันล้าได้เพราะมันเห็นโทษมันอย่างหลวงปู่ดูลบอกมันล้าได้เพราะมันเห็นทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็สอนคันทั้งห้าเป็นภาระบุคคลแบกภาระไว้ก็มีผนจากทุกทั้งปวงพระอริยเจ้าคือพระอรหัน์นะ วางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบช่วยภาระอันใหม่ขึ้นมาอีกเพราะพ้นจากทุกข์ทางปวงพยายามฝึกนะฝึกตัวเองให้ดีๆไม่ใช่เพื่อคนอื่นหรอกขั้นแรกสิ่งที่คนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวเราเองตัวเราเองดีแล้วฝึกดีแล้วนะใจมันก็จะร่มเย็นเป็นสุขมามันจะเกิดความเมตตากรุณาก็าอยากช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ใจมันเต็มสักอย่างเนี่ยนี่คืออยากให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยถ้าใจมันยังขาดอยู่นะมันอยากมีความสุขคนเดียวอยากให้คนอื่นทุกไปก็ช่างมั น, นะในใจมันจะเปลี่ยนไปนะค่อยๆฝึกหมายเลขหนึ่งค่ะใช้กรรมฐานตามดูลมหายใจค่ะหายใจยาวไปถึงท้องพอตื้นขึ้นลมกระทบอยู่แถวจมูก จะเกิดแสงขึ้นตรงหน้าค่ะส่วนใหญ่สว่างแช่บางทีเคลื่อนที่จิตจะไปดูแสงคลอเคลียไปเรื่อยๆจนบางทีก็มีความสุขขึ้นมาค่ะแช่อยู่สักพักเหมือนจะหายไปเกิดความสุขเบาๆขึ้นอีกตัวหนึ่งตรงนี้เห็นความคิดเกิดดาบและมีตรงที่ไม่เกิดไม่ดาบค่ะบางทีไปแช่อยู่ตรงนั้น ทำแบบนี้ทุกวันต้องทำยังไงต่อขอหลวงพ่อเมตตาขัดเกลาวด้วยค่ะทำอย่างนี้แหละทำอย่างที่ทานี้แหละแต่ตอนจิตเขาไปแชร่รู้ทันมันไวๆหน่อยนะตอนนี้ไปแช่มันก็เป็นราคะนะมันจมอยู่ในราคะที่หลวงพ่อสอนตะเกียงมันล้ายากนะเราไม่เห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นทุกขนะ์นี่ถ้าจิตมันจมลงไปสังเกตสีมันเป็นภาระนะ เวลาจิตมันแช่ลงไปมันเป็นภาระสังเกตตัวเนี้ยพอมันมีกําลังมันก็เลิกแช่ไปเองแหละดีพอเาแช่ได้ถูกแล้วล่ะเวลาหายใจทีแรกหายใจยาวใช่ไหมแล้วค่อยๆตื้นๆแล้วก็กลายเป็นแสงพอเป็นแสงนะดเนี้ถ้าจิตไหลไปนในแสงนะก็จะไปเที่ยวรอบโลกได้เลยนะดูนโลกดูสวรรค์อะไรก็ได้หรือเป็นแสงแล้วก็มีความสุบอิ่มอยู่ตรงนั้นนะ มีปีติมีความสุขขึ้นมาก็ได้พนะอเห็นแล้วต่อไปปีติสุขก็ดับไปยนมะันเป็นอุเบกนะขาจิตก็เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็มีปีติ mm. เดี๋ยวก็ไม่มีปีติ <S 2> <S 2> <unemploy> เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ไม่มีความสุขเดี๋ยวเป็นอุเบกขาเดี๋ยวก็ไม่เป็นอุเบกขาะก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมีแต่ของไม่เที่ยงดูออกไ้มเข้าไปตรงนี้ก็มีแต่ของไม่เที่ยงเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีแล้ว่ เวลามันแช่ก็รู้เอาแล้วกป็ันเป็นภาระเลขสี่สิบเอ็ดค่ะในการปฏิบัติเราต้องฝืนกิเลสเช่นกินอาหารก็ไม่ปรุงเมื่อไม่ตามใจกิเลสหรือให้กินตามปกติแต่ใช้สติรู้ถามกระทั้งเรื่องกินละเอียดละอ่อนละเกิน มันแล้วแต่คนนะอันนี้แล้วแต่ความถนัดของเราอย่างพระเนี้ยที่ฉันข้าวนะ้ก็ข้าวอาหารทุกอย่างปนกันหมดเลยมีแต่รสแต่ไม่รู้ว่ารสอะไรเลยอย่างนี้นก็ได้หรือบางท่านท่านก็ใช้กินไปตามลำดับนะกินไปเรื่อยๆใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้อะไ ก็แล้วแต่ความต้องการของเราการที่ไปห้ามมันไปทรมานมันตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้ลดละกิเลสอะไรหรอกมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูแน่ชซะด้วยซ้ํำไปแต่นานๆทําทีก็ดีไม่ตามใจกิเลสนะแต่ไม่ใช่ไม่ตามใจกิเลสจนเครียดนะนั้นไม่ตามใจกิเลสนะด้วยอํานาจของตัณหาอยู่ดีแล้วอยากดีก็เลยแกล้งนะ อยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายก็ทำให้มันลำบากอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ากิเลสเราแรงนี่ากามมันแรงเงี้ยก็ทรมานมันเป็นครั้งเป็นคราวนั่นทำได้แต่เวลาใช้ชีวิตปกติกิเลสไม่ได้รุนแรงอะไรเนยปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วมีสติตามรู้ไปสบายกว่า ถ้าเครียดแต่ลอยเวลาน้องก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ภาวนาแล้วไม่มีความสุขสมาธิจริงๆยังไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่มีนี่มันสืบเนื่องกันไปได้คําตอบไหมในคราวที่จําเป็นเราก็ทําเข้มงวดอย่างนั้นได้ในเวลาปกติเราก็ไม่ไปเข้มงวดกับตัวเองจนเครียดเกินไป อย่างครูบาอาจารย์นะบางองค์ท่านก็อดนอนผอดอาหารบางองค์อดนอนอย่างเดียวอาหารฉันปกติบางคนนอนปกติในฉันอาหารลดลงหรือไม่ฉันอาหารอย่างท่านไม่ฉันอาหารท่านก็ไม่ได้ว่าอดอาหารตลอดปีอดเป็นช่วงๆไม่นอ น, นก็ไม่นอนเท่าที่ร่างกายมันทนได้อย่างนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกอกให้หลวงพ่อตอบว่าแค่ไหนถูกแค่ไหนผิดนะ ตอบไม่ได้ต้องไปดูตัวเองแต่การทรมานใจตัวเองตลอดเวลานะั้นไม่ได้ผลดีเท่าไหร่หรอกหมายเลข44ค่ะกำลังและอินซีดูจะยังไม่เข้มแข็งพอมานะอัตตายังเยอะอยู่เหมือนจะเข้าใจหลกักแต่พอลงมือปฏิบัติก็ยังจะเพ่งอยู่กราบขอคำแนะนำครับ ฝึกมาถูกแล้วนะมีแต่ทำต่อไปอีกทำไปเรื่อยๆสังเกตสิ่งที่บกพร่องไปเรื่อยๆไม่ได้มุ่งเอาดีนะจิตเปลี่ยนไปเยอะแล้วล่วละรู้สึกไหมมันเบามันโล่งมันสบายขึ้นเป็นธรรมดามากขึ้นเมื่อก่อนนี้ไม่เคยธรรมดาเลยรู้สึกไหมเออนั่นะแหละพัฒนาขึ้นแล้วละ่ะธรรมดามากขึ้นแล้วละ่ะดีจะทาอีก หมายเลขห้าสิบสามค่ะส่งการบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อกุมภาหกหนึ่งหลวงพ่อบอกให้อดทนก็ปฏิบัติภาวนาโดยทำรูปแบบสวดมนต์เดินจงกรมวันละประมาณส0มสิบนาทีอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องหรือยังขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะและขอการบ้านเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป ขอถวายการปฏิบัติแด่พระพุทธเจ้าและหลวงพ่อค่ะอืมอนุโมทนาทำแล้วมันดีขึ้นแล้วล่ะนะดีขึ้นแล้วรู้สึกไปเร้่ๆดูไปสบายๆไปเรืๆมันมีเพ่งเป็นระยะระยะอันนั้นก็เรื่องปกติเพ่งก็รู้ว่าเพ่งทำไมต้องเพ่งเพราะอยากดีอยากรู้ชัดอยากรู้ตลอดเวลามันเพ่งก็เพราะอยาก นี้พอรู้ทานแล้วการเพ่งมันก็คลายตอนนี้มันคลายออกดวออกไหมใจมันคลายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยะมันสบายกว่าเก่าเยอะเลยงั้นเราภาวนาอย่างที่ทําอยู่เนี่ยถูกแล้วละแล้วจิตไปยึดไปถือไปติดไปข้องอะไรก็มีสติรู้ทันเอาดีไปฝืกอีกทาทุกวันนะสมาธิมันจะเพิ่มของหนูสมาธิมันเพิ่มขึ้นรู้สึกไหม นะทําให้ได้ทุกวันทุกวันอนะดีแล้วนะแล้วมีเวลามีโอกาสแล้วมันจะเพิ่มเองอะ่ะเพราะว่าปฏิบัติแล้วมีความสุขไม่ใช่แค่ครึ่งชั่วโมงตลอดชีวิตหรอกนะมันจะเพิ่มเองแหละเพราะมันทำแล้วมีความสุขดีแล้วละ่ะที่ฝึกแต่จิตยังไม่ตั้งมั่นตัวนี้ดูออกไหมนะจิตสายไปสายมาอะไรย่างเงี้ยอยู่กับกรรมฐานของเราไป แล้วจิตสายไปสายมาก็รู้งทีก็สายไปดูอะไรดีว่าอะไรเงี้ยนะก็รู้ทันมั น, นทำกรรมาฐานไปจิตมันสายไปสายม า, ก, นนมยา ก, ก็รู้ทันจิตมันอยากสงบก็รู้ทันจิตมันอยากรู้ตลอดเวลาก็รู้ทั น, นฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีขึ้นเยะเยอะแล้วเลขหกสิบสี่ค่ะ พอจิตเคลื่อนแล้วตามไปรู้ตามไปดูอยู่เนืองๆ เ, เห็นกายกําลังทําอะไรใจกําลังคิดอะไรรู้สึกอย่างไรแต่เหมือนการตามไปดูนี้ขัดจังหวะการทํางานโดยปกติของตัวเองที่ทําสิ่งต่างๆไปโดยอัตโนมัติเช่นเคยทํางานเป็นสเต็ปหนึ่งสองสาสี่ห้าพอตามไปดูในสเต็ปสาก็ลืมทําสเต็ปสตอนแรกๆเป็นบ่อย แต่ตอนนี้ดีขึ้นเพราะใช้จิตไปเตือนตัวเองให้ไม่ลืมสี่หรือห้าอยากรู้ว่ามาถูกทางหรือทําถูกต้องหรือยังคะแต่บางอยมันก็เหนื่อยนะยที่คอยเตือนตัวเองไปเรื่อยๆก็เหนื่อยพยายามอย่างนี้สิเวลาทํางานที่ต้องใช้ความคิดนะ่ะไม่ต้องปฏิบัติตั้งอกตั้งใจสติสมาธิปัญญาอยู่กับงานนะเวลาทํางานที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะ่ะ รู้สึกกายรู้สึกใจมันไปเดียถ้าเราทำงานที่ต้องคิดมีขั้นตอนเยอะๆอะไรอย่างเงี้แล้วไปรู้นะความจำได้หมายรู้อะไรมันดับหมดนะความคิดมันดับนะมันทำงานไม่ได้จริงนะคุณ ภ, ภาพงานมนจะตกงั้นพยายามแยกอะ่ะตอนนี้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะนะก็ตั้งใจทางานไปหรือไม่ก็มีตัวช่วยนะมีกระดาษไว้สักแผ่นหนึ่งโน้ตไว้อ่ะ ขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้นะไม่ต้องใช้กำลังใจไปช่วยจำมันเหนื่อยนะพราะนามันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนันหรอกไม่ได้ยุ่งยากว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะ้าทำให้เครียดภาวนาก็แค่รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันไปแต่ทุกวันทาในรูปแบบจิตจะได้มีกำลังนะไมต้องอย่างโน้นต้องอย่างนีงง้มันเหนื่อย หมายเลขหค่ะขอเรียนสอบถามหลวงพ่อตอนนี้หนูภาวนาในรูปแบบทุกวันพยายามให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงหนูมีสิ่งใดต้องปรับพัฒนาต่อไปคะทำรูปแบบนะก็ทำด้วยความมีสตินะไม่ทำแล้วก็บังคับตัวเองตลอดเวลาอะไรงนั้นไม่เดียนทำแล้วสบายสบายไป แต่ทํำในรูปแบบแล้วใจมันหนีไปมันหลงไปมันเผลอไปก็รู้เอานะของหนูมันยังหลงเก่งนะยังภาวนาอยู่นีัยมันหลงไปคิดอะไรอย่างเงี้ยมันยังหลงเก่งอยู่งั้นพยายามอยู่กรรมฐานของเราไปพอจิตมันหลงแล้วก็รู้ว่าจิตมันหลงแล้วก็รู้ไปอย่าตอนนี้มันหลงคิดแล้วจิตมันหลงคิดก็รู้นะแต่ถ้าเราไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เลยนะเวลามันหลงคิดนั้มันจะหลงนาน ของหนูมันยังช่างหลงอยู่นะเพราะงะั้นเวลาทำกรรมฐานแล้วจิตหลงเนะี่ยให้รู้ทันเมื่จิตหลงรู้บ่อยๆต่อไปสติมันจะเกิดพอหลงปุ๊บมันจะรู้ปั๊บเลยรู้ได้อัตโนมัติค่อยๆฝึกไปนะใจยังไม่ค่อยมีแรงฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยกำลังมันเพิ่มเองนะอะต่อไปใหม่เลขหกสิบเก้าค่ะ หลวงพ่อเคยให้การบ้านไปดูใจที่หงุดหงิดเพิ่งจะรู้สึกว่าดูได้ดีขึ้นในปีนี้อตอนเช้าเดินจงกรมประมาณหนึ่งชั่วโมงและสวดมนต์อีกครึ่งชั่วโมงอมตอนเดินจงกรมจะท่องพุทธโทและดูกายที่เคลื่อนไหวเมื่อรู้ว่าเผลอจะกลับมาดูที่กายเวลาสวดมนต์จะมีอาการง่วงและเคลิ้มถี่มาก จะหลงเข้าไปในเรื่องที่ไหลเข้ามาและจะรู้สึกตัวได้ต่อเมื่อไหลเข้าไปในเรื่องนั้นๆแล้วจึงลืมตาขึ้นและสวดมนต์ก็จะดีขึ้นมากค่ะระหว่างวันจะพยายามท่องพุทโธและดูกายที่เคลื่อนไหวแต่จะทําไม่ค่อยได้จะหลงนานจะรู้ตัวดีต่อเมื่อเวลาเศร้าหมองเสียใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่เศร้าหมองก็จะเผลอยาว ห, หนูมีอะไรที่ต้องปรับปรุง ขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะที่พูดมามันก็ปกตินะอี่ยเวลาเศ้าหมองจิตมันมีโทสะมันก็ดูง่ายเวลามันสบายจิตมันมีราคะมันก็ดูยากอ ย, าอย่างที่หลวงพ่อสอนตะเกียะนี้มันอยู่ที่ชั่วโมงบินของเรานะเดีอย่าทำด้วยความโลภทำกรรมฐานถือว่าปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรทั้งสิน้นะปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ เคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวใช้ร่างกายช่วยนะดูจิตยอย่างเดียวไม่พอจิตมันจะหลงง่ายงั้นหากรรมฐานที่ใช้ร่างกายกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยกวาดบ้านถูบ้านทำงานอนะไรเงี้ยนเคลื่อนไหวไปเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนรู้ไปนะมันจะได้ไม่หลงยาวถ้าไปใช้กรรมฐานที่ละเอียดนีย่ยงสมัย ใ, ใช้ลมเงี้ยเวลาหลงนี่หลงนานเลยมันละเอียดไป นใช้ร่างกายมาช่วยนะเคลื่อนไหวร่างกายเรารู้สึกเคลื่อนไหวร่างกายเรารู้สึกไปเรื่อนั่งขยับไปก็ได้น่อนๆ น, นั่งพัด น, นั่งพัดรู้สึกไปพอพัดแล้วมันเผลอเพลินนะก็ะเตือนตัวเองเฮ้ยหลงแล้วนี่หว่ากามาพัดต่อไปสบายๆแล้วมีสติรู้เวลารพัดอย่างนี้นะเราจะเห็น เห็นก็ทั้งธาตุนะนะถ้าสติเราเร็วอะเวลาเราพัดอย่างเนี้ยมันรู้สึกเย็นพอพัดมันผ่านไปแปบ๊บหนึ่งลมมันหยุดนะมันร้อนขึ้นใหม่แล้วเนีเห็นธาตุมันเปลี่ยนแปลงนะธาตุไฟเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวมากเดี๋ยวนะ้อยแต่อันนี้ทํายากหนูแค่ว่าเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกไปใช้ร่างกายเป็นหลักเลยนะเอาจิตเป็นหลักเนะี้ยยังดูไม่ไหวมันละเอยียดเกิน มยเลข็ดสิบสาค่ะคนสุดท้ายค่ะขอการบ้านที่เป็นแนวทางของตัวเองเพราะเพิ่งเริ่มปฏิบตัติเป็นคนฟุ้งบ่อยๆและมีโทสะค่ะบริกรรมไปนะเมตตาคุณังรหังเมตตาจาได้ไหมบริกรรมไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างบริกรรมไปเรืยๆจำได้ไหมเออไปทำนะ แล้วสมาธิไม่จะเกิดใจไม่จะร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาพอใจเรามีความสุขมีสติรู้ว่าใจมีความสุขใจมันมีโทสะให้มารู้ว่ามันมีโทสะมันมีโทสะแล้วมันมีความทุกข์ขึ้นมารู้ว่ามีความทุกข์มีความทุกข์แล้วอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายเนี่ดูมเป็นชอ็อตชอตชอปบริกรรมไปจะได้ไม่หลงยาว จิตจะได้มีพลังฝึกนะไม่ใช่ว่าพอเลิกเรียนออกไปจากหลวงพ่อเราก็ปล่อยใจฟุ้งซ่านกี่ปีมันก็ไม่พัฒนาหรอกหลวงพ่อเรียนยากครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่เคยหยุดภาวนาทำตลอดนะมันถึงพัฒนาได้ นานๆทำทีะไม่พัฒนาหรอกสละชีวิตของเราถวายพระพุทธเจ้าไม่ใช่บอกให้เราไปตายนะหมายถึงเตือนตัวเองว่าชีวิตนี้เราเกิดมาเนี่ยเพื่อยกระดับใจตัวเองไปสู่ความพ้นทุกตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้รู้เป้าหมายของชีวิตเราเราก็จะไม่เออระเหยไม่ประมาทไม่หลงลืมงานหลักของเรางานหลักของพวกเราชาวพุทธก็คือการฝึกอบรมจิตใจนะไปสู่ความพ้นทุกงานรองของเราก็คือการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวทำหน้าที่พลเมืองอะไรอย่างนี้ไปแยกให้ออกงานอะไรเป็นเครื่องอาศัยอยู่กับโลก งานอะไรเป็นงานที่สําคัญที่สุดที่จะพาเราพ้นโลกไปพ้นจากทุกไปโลกไม่มีอะไรโลกมีแต่ทุกนะขถ้าฝึกไปพอเราเตือนตัวเองรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วมันจะไม่ขี้เกียจละเลยการปฏิบัติพวกละเลยการปฏิบัติก็คือพวกประมาทบางคนรอจนแก่นะคิดว่าแกแล้วจะมาภาวนาแก่แล้วภาวนายาก จะเดินจงกรมก็เดินไม่ไหวจะนั่งสมาธิก็ปวดหลังปวดไหล่จะทำอะไรก็ไม่สะดวกจะดูจิตก็เคลิมง่ายม่นนั่งปุ๊บหลับปับ๊บไม่ออย่ารอจนแก่ชีวิตตอนนี้ยังมีแรงอยู่ก็รีบภาวนาก่อนเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยเจอครูบาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเล่าให้ฟังว่าตอนท่านหนุ่มๆเนี่ย ท่านก็มาบวชทีแรกกับบวชโชคครั้งโชคคราวเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็อยากศึกเวลาอยากศึกเนี่ยท่านใช้แบบต่อยุราชการนะต่ออีกปีนึงนะ่ะต่ออีกสองปีหน่าอะไรเงี้ยอยู่มาเรื่อยๆเนะีนะ่ยท่านค่อยๆฝึกตัวเองนะยากลําบากไหมก็ยากลําบากไม่ได้ต่างกับพวกเราฝึกตัวเองไปเรื่อยได้ๆมาอดทน สุดท้ายก็ดีขึ้นไ้ได้ใจก็พัฒนาขึ้นไ้ได้ถ้าเราปล่อยเวลาให้หมดไปสิ้นไปนะถึงเวลาแก่เนี่ยลำบากครูบาอาจารย์องค์นั้นนะท่านบอกว่าติดแรกท่านคิดว่าอายุเยอะๆแล้วค่อยบวชเสรแล้วท่านนึกได้ว่าเวลาเราจะถวายของอะไรกับพระเนี่ย เวลาเราถวายของกับพระเนี่ยเราต้องควรจะเลือกของที่ดีที่สุดไปถวายเลือกของที่ดีที่สุดถวายงั้นถ้าเราจะถวายการปฏิบัติเนี่ยเราถวายเวลาที่ดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดของเราคือเวลาที่ยังมีแข็งแรงอยู่มีเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ถ้ารอว่าเดี๋ยวแก่แล้วค่อยภาวนาเนี่ยค้ายๆเอาของเหลือของใกล้เน่าแนละ้วมาถวายพระนะได้บุญ น, น้อยนะ ท่านก็ช่างคิดของท่านเลยเพราะฉะนั้นเราถวายจะตั้งแต่อย่างแข็งแรงนะถวายพระก็คือตั้งใจปฏิบัติเป็นพุธทธบูชาทุกวันปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปล่วงไปทุกวันทุกวันผ่านวันผ่านเวลาไปเนี่ยกำลังของเราี่ยิ่งตก การภาอนาจะยิ่งยากลำบากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนคนนะปีนบูเขาลืกภายเรือทวนน้ำอนะไรเงี้ยพายๆายไป ย, ย, ยังแข็งแรงอยู่ว่าตอนนี้แวะชมดอกไม้ริมทางก่อนอนะไเงี้ยชมอยู่นอนแล้วค่อยไปภายต่อนะมันเหมือนตอนหนุ่มสาวมีแรงยนะมันต้องจ้ำขึ้นไปต้นน้ำให้ได้เลย ไม่ใช่รอจนแก่หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วจะไปลุยไปให้ถึงต้นน้ำมันไปไม่ถึงกําลังมันไม่พอเพรานั้นถ้าเรายังคิดว่ารอแก่แล้วค่อยภาวนาเนี่ยเราประมาทอย่างยิ่งเลยนะพวกหนึ่งไม่ได้แก่พวกหนึ่งได้แก่แต่ไม่มีแรงแล้วเอาตั้งแต่ตอนที่ยังแข็งแรงนี่แหละถวายของที่ดีที่สุดให้พระพุทธเจ้านคะือเอาความเป็นหนุ่มสาวที่แข็งแรงเนี่ย เอาพลังของเราเนี่ยมาพัฒนาตัวเองใช่เอาพลังของเราไปหลงโลกอาเชิญ